ฝ่าย น, นี้ก็เหมือนเรามาเรียนลดช็อตนะมีภาพเช้าเน้นแบบทิศดีนะหรือว่าภาพแบบบ่ายนะลอง ไม่หลงไปคิดอะไรนะมันเป็นแบบไหนให้เราลองลองสัมผัสตัวเนาะลองปรับตัวไ อ, อ, อ้พวกนี้มันบางทีมันบอกได้แต่การทำมันต้องทนตัวเราถึงเรียนรู้เองเนะมันเราขับรถเหมือนเราขี่จักรยานใหม่ในะไบอกว่าให้ไม่ต้องเกรงไม่ต้องแบบกลัวนะให้ทําตัวให้ผ่อนคลายบีนะ มันบอกได้นะแต่ใหม่ๆเราก็ไม่รู iles, ้ว well ่าแบบไหนถึงผ่อนคายแบบไหนถึงไม่เกรงหรือไงนแต่ต้องลองเรียนรู้ดูแล้วก็เหมือนกันลองเดินหรือตอนยกมือนะลองปรับแบนบักของเราดูว่าทาแบบไหนผ่อนคายกับตัวเองไม่เกรงหรือว่าเกรงไปแล้วค่อนแบบไหนแบบนี้เนาะหรือถ้ามุ่งไปนะทำแบบไหนทีเดปรับมาถึงเทียน มันตั้งใจจนไปดูตัวไหมนี่ยอบยังไนที่จะทอนายมันต้องเป็นภาคปฏิบัติเนาะแล้วก็อย่าไปคิดว่ามันจะต้องผูกแล้วต้องผูกตลอดหรือดีแล้วก็ต้องดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะ่จริงมันก็อะไรมันก็ไม่แน่นอนมันก็เป็นเพียงแค่ช่วงขณะนี้ที่มันผูกเท่านที่ที่มันดีอาจจะทีดีก็ได้แต่ไม่นาทีได้เราก็ หลงไปบ้างก็ไม่เปไรหลงไปแล้วก็กลับมาเดี๋ยวจะคิดว่าปฏิบัติทมแล้วมันจะต้องมีแต่ดีตลอดนะรู้ต่ ล, ตลอยมันไม่ใช่นะแต่เราทำเพื่อเมื่อมันหลงเรากลับมาให้ได้าการเจอสติก็คือนะเป็นเรื่องของการพัฒนามรูนะ้พัฒนาความรู้ตัวไป ค, ความหลงก็เป็นเรื่องของมัน เ็ส่วนกันนะเราไม่ไปเราไม่ต้องไปคิดคิดที่จะแบบให้ความลงมันน้อยนะี่ยหรือว่าไปคิดที่จะให้ความกนะิเลสมันจะเกิดขึ้นมาแต่ที่บอกว่าจิตเรามันรับรู้อารมณ์ทีละอย่างถ้าจิตมันรู้ตัวตอ น, นั้นมันก็ไม่ลงลแะบบมันเหมือนกับความมืดกับความสว่างะ เกี้ในห้องมืดเนาะพอเปิดไฟปุ๊บมันก็สว่างพอปิดไฟปุ๊บมันก็มืดเหมือนเดิมจิตก็เหมือนกันจิตที่มันมืดก็คือจิตที่ยืนตัวหลงจิตที่มันสว่างก็คือมันรู้ตัวผิดปติมันเพิ้งแค่นี้แหละเมื่อกี้ในห้องบอกเหมือนหน้ามือกับดำเนี่ยหน้ามือเหมือนด้านด้านขาวดำมือเหมือนด้านดำนะ ก็พกลิกแค่เดียวเราพลิกมือเระดังก้เพื้อต่พิกติดไม่ครับนะอะพิกครู้สึกตัวที่กลกกับขึ น, า น, า ม, ม, นมาแค่นั้นแหละนะมันจะกไปอีกก็ไม่เป็ไรก็เราสามารถต้านหม่อได้นะอ น, นี้เราพยายามทำตัวเนี้ยหรือถ้าหลงข้อเทียนาน ไ, ไดเ้เปลียปุบอุรมาง่ายๆนะแต่ก็เป็นภาพที่เข้าใจชัดหลงข้อเทียนท่านบอกว่าเหมือนกับ มือนกะหนูกับแมวนะหนูเหมือนกับกิเลสแมวมกับสตนะิหน้าที่ของเราเนะีนะ่ยเราดูแลบ้านนะเราไม่ต้องเด็กคอยเที่ยววิ่งจับหนูนะหน้าที่เราคือเลี้ยงแมวให้ผ่านแมวแมวมันโตแมวมันมีกำลังด้วยด้วยสัญชาตญาณนะมันจะไปจับหนูของมันเอง อันนี้ก็เหมือนกันเ ร, เราไม่ต้องไปห้ามความอยากเราไม่ต้องไปห้ามความคิดหน้าที่เราคือตั้างตัวรู้ตัวรู้จะไปจัดการตัวหลงเองนะเราเรียกว่ามาให้อาหารแมวมาเลี้ยงแมวแมวมันจะทําหน้าที่ของมันเองอันนี้ก็เหมือนกันเราม า, าตั้างติดทำมาสร้างความรู้สึกตัวความสึกสวนนหละจะไปทําลายความหลงของมันเอง มันจะเกิดกันยาของมันเองจะเกิดสิงของมันเองเอา่าสิ่ไม่ใช่แค่สิ่งห้าตาตาติปตาตาได้ถึงเกิดตาอ่านั้นาาสิลแค่สองพูดแต่สิ่งจริงเราจะรู้จักสมาธิจริงจริงก็ไม่ใช่นั่งแบบตาทํากอดสงบนะอา่าสมาธิจริงจริงเนี่ยจะนั่งนิ่งๆก็ได้จะทํางานก็ได้ จะอยู่กับคนวุ่นว า, นายก็มีสมาธิได้ปัญญาก็เหมือนกันปัญญาไม่ใช่อ่านสติวิโดจําได้ทั้งหมดอปกเถียงได้แต่ปัญญาที่ไม่ทุก <c oughs> ถ้ายังรู้มากเป็นทุกอยู่นะก็ะไม่ใช่ปัญญาเนะให้ลองสังเกตเดูเนาะอันนี้ยมันจะเกิดจากนี้ยก า, า, ารภาวนาที่เราพยายามทำดูเนาะก็เดี๋ยวถ้าใทย ถามก็สงสัยอะไรก็ก็สอบถามอาจจะมาสอบถามฝ่ายจานตุ้นก็ได้นะแต่ถ้ายังไม่สงสัยอะไรมากก็ตอนตอนเย็นนะตอนก่อนที่เดเลอร์สักประมาณบ่ายสามโมงขึ้นก็ไปกลับมามารวมกันอีกอีกทีนึงเนาะก็อยากให้พวกเราได้ใช้เวลาในการลองทำดูนะบางทีมันพูดถึงความเพียรความขยันเนี่ย พูดนั้นมันเข้าใจนะแต่ตอนมันขี้เกียจตอนนั้นแหละความเทียนจะมีค่าตอนมันขี้เกียจนั่นแหละใช่ไหมตอนที่มันเบื่อนั่นแหละมันเทียนจริงหรือเปล่าใช่ไหมเหมือนกับเพื่อนที่แท้จริงเราก็จะเห็นตอนที่เราทุกข์ยากตอนที่ลาบากตอนนั้นแหละเขาถึงเพื่อนจริงหรือเป็นเพื่อนกินใช่ไงมมันจะเห็นนั่นแหละตัวเราเองก็เหมือนกันจะเห็นเรามีความเทียนจริงหรือเปล่า เรามีความเพียรในการทํามาหากินทํทาโลกในการมีหนังสือแต่ความเพียรในการกลักกิเลสเนี่ยเราทําได้ไหมนะะส่อยค่อยฝึกกันเลยนะนัะ่นก็มีที่ข้างบนเนาะอีกสองชั้นนะ่ะใครจะเรียนปีปฏิบัติก็ได้ดูว่าใครจะปฏิบัตทิที่ที่ตรงนี้ก็ได้นะ้อดม ลองให้โอกาสจะเองนะในการเดินในการนั่งในการยืดนะถ้าใครง่วงก็เดินนะเดินเยอะๆในวัยจริงก็ล้างหน้าล้างตาให้มันตื่นขึ้นมาหาอุบายช่อจะเองอันนี้มันวันนี้นะกี่แค่ไม่ถึงสามชั่วโมงต่จริง ต้องทำคนเดียวนะอย่างที่วัดต้นตั้งและปฏิบัติธรรมแบบเก็บอารมณ์เข้มสี่สิบวันสี่สิบวันที่ไม่พูดสี่สิบวันที่เน้นแต่ปฏิบัติอย่างเดียวนะมันมันก็ยากนะถ้าคนที่ไม่มีความเพียรนะแต่หลายคนที่มีความเพียรเขากไ็ได้ผลในการภาวนาแต่ก็ไม่จำเป็นว่าทุกคนต้องเก็บอารมณ์แต่จริงถ้าเรา มีความเพียรต่อเนื่องไม่ว่ารจะทะ ใ, ในรูปแบบนอกรูปแบบนะมันก็จะเกิดผลได้เหมือนกันเนาะอาจจะมีก็เหลือแค่ไม่ถึงตามชั่วโมงเนาะให้เราได้ลองทําให้มันต่อเนื่องดูมันจะเห็นอารมณ์เห็นพลรมเห็นความรู้สึกของเราเองในขณะที่เราปฏิบัตนะินอกจากที่เราเห็นกายแล้วนะลองหาที่ปฏิบัติเนาะ เลยนานั่งก็ไ no ด้จะเดินก็ได้แต่ฝานไปเองชั้น3ก็มีแอร์่ะชั้นหก็ได้เก็บโต๊ะนะคะเลอืมนลพ่อื่องการพูดคุยก่อนเนาะเท่าที่เป็นไปนะก็ให้ลอาปฏิัเป็นก่อนแล้วก็บ่ายโมงขึ้นก็ใส่ลักนา